พระอาจารย์เบรรยายแทบจะครอบคุมหมดแล้วนะคะหมดเลยทั้งไม่ต้องแบ่งถาม้ค่ะอาจารย์บรรยายหนูหนูตั้งใจมาถัมว่าเหมือนเหมือนการทำหนังสืเนี่ยเมื่อทาออกมาทำให้คนเข้าถึงพงระวใจเนี like t t ่ยจะเป yeah well, pues right. ็นเป็นประโยชน์ต่อพุทธศาสนาชนอย่างไรเปลี่ยนแปลงชีวิตคน เป็นประโยชน์อย่างไรเมื่อเราทําหนังสือก็ดีหรือว่าอุปกรณ์ทั้งหลายในการเผยแพร่เพื่อให้พุทธบริษัทหรือหมู่มนุษยชาติหรือมนุษยชนทั้งหลายเหล่านี้ได้เกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งในเรื่องของพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างไรก็ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากตรงที่ว่าาทั้งหลายเนี่ยเขาต้องยอมรับความจริงอยู่อย่าง มูสัตทั้งหลายเขาเป็นทาตของอะไรเป็นทาตของความรู้สึกเขาเรียกสัญชาตญาณเช่นตัณหาความทยานอยากความอยากได้ติดใจไปกระสันความร่านรนิงในสีเสียงทิ่ลดโพธาภะหน้าปราถนาหน้าใคลายหน้าพอใจชวในให้รักชักให้คข่พาใจให้กำนัตมูสัต์ทั้งหลายก็ถูกตัวเนี้ยเป็นตัวครอบนาชักพานําพา แต่ทั้งหลายก็ตอบสนองตัณหาด้วยความต้องการความพยายามอยากในแข้งกระดิงดิ้นหล่นกระเสือกสนต่อสู้กันมาโอ้โหจนแต่เกิดเย็นตายรุ่นแล้วรุ่นเราอัตภาพแล้วอัตภาพเราก็ถูกตัณหาครอบงำประการที่สองก็คือมานะมานะศัพท์เนี่ยแตลว่ายืดยิ่งถือตัวยกตนชูตนเปรียบเทียบตนไม่ใช่แปลว่าขยันอย่างที่เราเข้าใจกันเพรันความผิดด้านภาษานี่แหละ มานะก็คือการยกตนชูตนเปรียบเทียบตนถามว่ามนุษย์เนี่ยที่ทะยานอยากต้องการเอาสิ่งเศษทั้งหลายเหล่านี้มาคนเปลย์ อ, อะไรคนเปิด์ตนต้องการทําให้ตนเต่นขึ้นดีขึ้นได้รับการยอมรับไม่ไม่ต้องการปราถนาตัวเองด้อยตัวเองผิดหวังต้องการให้ตัวเองสมปราถนาสมหวังอยากให้ตัวเองเต่นจึงต้งางทำต้องวิธีการในการที่จะยกตนชูตนเปรียบเทียบตนประการต่อมาคือทิฏฐิ ก็คือความเห็นทัศนกติอัตลักษ์ที่ตัวเองยึดถือไว้ว่าจะต้องอย่างนี้เท่นานั้นเป็นต้นเหล่านี้เราก็จะถูกไอ้ตัวเนี้ยทั้งตันหามานาทิฏฐิไอ้กิเลสสามตัวเป็นกลุ่มใหญ่นี่แหละชักพาครอบงําทําให้กระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยต้องดิ้นรนกระเสือกกระสนเราจะบอกว่านี่ไงหมูส่สัตว์ทั้งหลายถูกกิเลสอันเนี้ยชักพานําพาทําให้ดิ้นรนกระเสือกกระสนสรุปก็คือเป็นท่าของอะไร สเป็นธาตของมานะสาก็เป็นธายของทิฏฐิถ้าตัณหามาณทิฏฐิต้องการอะไรปราถนาอะไรเรายอมจำนนแล้วก็รับใช้เขาโดยชนิดที่เราไม่เคยคิดอยากจะเป็นอิสระจากเขาเลยนี่คือปัญหาของ ม, มนุษย์ยชาติแต่คําสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องการให้มนุษย์เนี่ยเป็นอิสระเสรีภาพจากตัณหามาณทิฏฐิจึงมาขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธะ ทีอปัญญาแต่สรู้ความจริงเป็นหลักการดําเนินสูงสุดของชีวิตก็คือหลักของศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเนี่ยออกจากสิ่งที่ไม่ดีเข้าถึงสิ่งที่ดีงามสังฆะก็คือหมู่ชนที่ฝึกตนเองแล้วประเสริฐแล้วแล้วก็ไม่ต้องเป็นอิสระเสรีภาพแล้วฉะนั้นเราจึงมาถ้าเราสามารถทําให้คนเข้าถึงพุทธธรรมสังฆะได้ ก็าือให้คนมาเข้าถึงศีลสมาธิปัญญาได้แทนที่จะเอาตัณหามาณทิฏฐิมาเป็นหลักดาเนินชีวิตก็ามาเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นหลักดาเนินชีวิตแทนตัณหามานาณทิฏฐิศีลก็กําจัดอะไรศีลกําจัดมานะคนที่ยกตนชูตนเปรียบเทียบตนเน่ยเพราะว่ากระแสชีวิตไม่อ่อนโยนไปตามศีลทีนี้ตัวสมาธิกาจัดอะไรสมาธิไกรกําจัด ปัญหาคือความทยานอยากความที่หลนความร่านรนกระเสือกสนเรพราะความไม่ตั้งมั่นแห่งจิตความที่จิตไม่มีพลังก็ถูกปัญหาความอยากชักจูงไปและปัญญาคำจัดอะไรคาจัดความเห็นผิดเขาเรียกว่าทิฏฐิคือทัศทนคติที่วิปริตผิดเพี้ยนที่มียึดอักลัษณ์ยึดอากาตัวตนอย่างรุนแรงทั้งหลายเหล่านี้ปัญญาก็ไปจัดการเช่นั้นสัตว์ทั้งหลายถูกอะไรตัญหามนติทิฏฐิครอบงาแล้วก็บงการอยู่ การที่เรามาเข้าถึงพระพุทธพระธรรมประสงค์เพื่อเราจะได้เข้าถึงศีลเขาจะได้กําจัดมานะเข้าถึงสมาธิจะได้กําจัดตัณหาออกไปแล้วก็เข้าถึงปัญญาจะได้กําจัดทิฏฐิคือความมินผิดเมื่อมนุษย์ทั้งหลายก็จัดตัณหามันทิฏฐิออกไปเอาศีลสมาธิปัญญามาเป็นหลักดําเนินชีวิตกระแสะชีวิตของมนุษย์นั้นก็ปลอดภัยเป็นอิสระเป็นเสรีภาพแล้วก็เป็นใหญ่เฉพาะตนไม่ต้องเป็นไม่ต้องไปเป็นท่าของตัณหา ปวดในสังสารวัตไม่ต้องเจ็บปวดในกระแสชีวิตไม่ต้องผิดหวังอีกต่อไปก็เป็นชีวิตที่สมหวังเป็นอิสระเสรีภาพที่แท้จริงต้องเห็นยังพ อ, อจะชัดไหมแต่แม่นตรงกันข้ามอย่างนี้นี่แหละคือ ก, การช่วยพุทธบริษัทยังไงช่วยมนุษย์มนุษย์ยังไงไม่ใช่แค่ช่วยชาวพุทธช่วยมนุษยชาติในโลกนี้เพราะมนุษยชาติในโลกเนี้ยถูกตั้หาความพยานอยากมานะความยกตนอูตนเปรียบเทียบตนทิฐิการยึดอัตลักษณ อัตลักษ์ยึดความเห็นยึดวัฒนธรรมประเภณนี้อย่างพิิีเราถูกไอ้ตัณหาสามตัวเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยครอบงำแล้วก็องค์การชักพาเราเป็นทาสเขาอยู่พระเจ้ากระยชวนบอกว่าเธออยากจะเป็นอิสระเสะรีภาพไหมถ้าอยากจะเป็นเข้ามาถึงพระราชนาไัยเมื่อถึงพระราชนาไตยดำเนินชีวิตไปตามศีลํำจัดําจัดมาหน้าเสีย เข้าถึงสมาธิกำจัดปัญหาได้เข้าถึงปัญญา ก, กำจัดความเห็นผิดได้ชีวิตเธอก็ปลอดภัยเป็นอิสระเสรีภาพนี้คือสิ่งที่เธอจะได้ก็บองเห็นไหม